ช้นี้ขอพูดสักนิดหนึ่งเพราะว่าปฏิธรมมาเป็นเช้าที่สามแล้วก็หลายคนำลังเรีว่าปั่นป่วนนังจากศรัทธาน้อยยังไม่มีความเชื่อ ยังไม่ชัดเจนบางคนก็จะกลับบ้านบางคนก็จะกำลังคิดอยู่อยู่ต่อม่อยู่ต่อบางคนก็กลับไปแล้วก็มีเนื่องจากตอนนี้มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จะมาเก็บอารมเข้มเมื่อจะมาเองอิสระหรือจะมาเข้าข้อตังใจมาเข้าขอก็ได้ข้อมูลใหม่ ก็เลยลังเลสงสัยอะไรกันแน่ก็เลยมา GN ชีฉันที่นี่ก็ฝึกความรู้สึกตัวกันฝึกถ้าโดยกรรมฐานแท้ก็คือการดูดฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรม เหมือนขนาดนียไฟมันตกไฟมันตกหลอดไส้ทำงานได้หลอดไส้ทางสเตนนนันนะไฟตกหลีได้ใช้วันลุ่มหลีได้เล่งได้หลอดเนี้อออนวอเลสเซน น, นมันจะไม่่อย ทำงานอย่างคอมไม่ทํางานเราต้องมีกำลังเต็มที่ก่อนกำลังของสติถ้าเต็มที่ก็ดูไกลเวลาจิตทำได้ครบตัวจิตคืออาการที่มันคิดนะดูทางอธรรมชาติภายในภายนอกศีล ส, สมาธิปัญญา เป็นทรรมี่เกิดภายในอารมณ์ต่างๆเกิดภยายในความโลวดความโลภความหลงความลักความชังหลบลดกินเสียงภายนอกพวกเราทุกคนมันมีทุกบีบคั้นอยู่บีบคั้นอยู่ที่แน่ๆคือประมาณสามเรื่องนชัดเจนเลย ฝนตกแดดออกมันเป็นธรรมชาติภายนอกที่มันบีบคั้นเราฝนตกก็ต้องมีหลังคาอีกความชื้นก็ต้องอาศัยความแห้งปรับสมดุลมีความหนามีความร้อนธรรมชาติภายนอกบุคคลภายนอกก็มีสมมติบัญญัติร่วมกัน อันนี้ก็บีบคันเหมือนกันมาว่าจะมีกรอบมีกฎกติกามีระเบียบมีในมีศีลกากับบางทีมันก็ทลุนะศีทลทลุด่างปลอยมันเป็นเรื่องของสมบัติบัญญัติบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีเรื่องเดียวกัน อีกคนมองอีกมุมนึ่คนมองอีกมุมช่างตายทั้งตัวได้บรบวงปิดนในมิตมันก็มองเห็นกัน ไ, ได้เรือ่องกินสีกินทรรความเป็นปกติความไม่ปกติของคนทางกายวาจาใจเราก็มองกันอย่างนี้ใจเกณฑ์ชีวิตทําไมทําอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้อง ไม่ทําอย่างนี้มันก็ไม่ดีอีกคนนึ่งทำอีคนนึงไม่ทําก็เกิดปัญหาใช่ไหมทะเลาะบอแหวงจับผิดแพลงโทษอันนี้คือสมุติบัญญัติมีความทุกข์กับคนสองคนอยู่ร่วมกันเนี่ยแหละบางทีตัวเองอยู่กับตัวเองก็งงตัวเองได้เจ้าอย่างไงกันแน่ไม่ชัดเจนประการที่สามที่เป็นความทุกข์ ย่ำบีบคั้นจิตใจของเราตรงๆก็คือกิเลสอารมณ์ข้างในห็นเกิดภายในตัวเราเองความไม่ปกติค ว, ความโลความควดความหลงความสุขความทุกข์พวกนี้มันก็บีบคั้นใจเราจลิตนิสัยอุปนิสัยแล้วก็สันดานพวกนี้ตัวนี้แหละ เป็นจุดที่เราจะต้องมาปรับมาปรับทั้งกายทั้งวาจะทั้งจิตใจให้มันคืนสู่ธรรมชาติสมดุลของมันที่เมื่อคืนเราดูสื่อเราก็รู้อยู่ว่าวิธีสร้างความสุขวิธีี่ทำให้สุขมันเกิดไปในจิตใจเรามีระดับต่างๆเป็นขั้นบันได คือหนึ่งสุขในการเราทำตามใจตัวเราเองเราบอมีความสุขแต่มันสุขขั้นมูลฐานพื้นฐานของชีวิตเรากินขี้ปีนอนเป็นพื้นฐานเหมือนสัตว์ประจานทั่วไปเป็นละดับของวัตถุกรรมาคุณบริโูรณ์กรรมเท่าไร่ก็ไม่พอพอแล้วดีหรือว่าดีแล้วพอ เราก็ต้องอาศัยร ส, สบการณ์ตรงรับรู้รับทราบแล้วก็ใช้ชีวิตจนมันได้ข้อสรุปบางทีก็ดูจากคนอืนแล้วเราก็เห็นได้ข้อสรุปเรียกรองหาความรับจนกระทั่งท้ายสุดก็ไม่มีใครก็รักจริงหวังว่าคนอื่นมาเติมให้เต็มที่ไหนได้ต่างคนต่างคาน ไม่มีใครเติมไม่ใครได้เราอยากตัวเองจะต้องเติมให้กับตัวเองขาดสิ่งไหนก็หาสิ่งนั้นเติมตรงนี้จึงเรียกว่าบารมีเราก็ได้เห็นว่าอาการเหล่านี้มันเกิดเป็นประสบการณ์ตรงของไครของเรากันสุขขันพื้นฐานมูลฐานขั้นที่สองคือมีปัญญาอยู่กับโลกมีปัญญาปริวไหวพิปฏิภานบางทีมันปากอย่างใจอย่าง คนเรส่หน้าการาหาต่อกันใส่หัวโขวนมีสมุดบัญญัติต่างๆมากมายเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอพราะฉะนนเราเห็นเกมการเมืองอะไรเลยมันไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรต่อหน้านแสดงอะไรมากมายแล้วเกินว่าหลายคนเนะี่ยที่เราอยู่ร่วมกันเราก็เห็นแม้ร่างตัวเราเองกับตัวเราเองนะลเราเดินออจะต้องอยู่ด้วยปัญญาอย่างไร วิชาการเต็มโลกจะกินจะขัดถ่ายจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสมมติปัญญิจนกรังเขาเรียกว่ามารยาทกับมารยาถ้ามีมาญยามันก็เป็นเรื่องของกิเลสอย่างยาพาธ ร, ร ม, มานยาสหไถอีกตัวก็คือมารยาทอันนี้เป็นลนักษณะของสังคมสมมติปัญญิ เป็นปัญญาพา ร, รมแล้วก็เป็นกิเลสตัวละเอียดสังคมยอมรับกันแล้วก็เสแสงแก้งทมกันต่อหน้าชมต่อหน้าพูดดีรับหลังนินทาอย่างนอันนี้เป็นเรื่องของการอยู่กันด้วยปัญญาที่พูดกันตรงๆไม่ไดก้ก็ไปพูดกันอ้อมๆบงเล็กๆจนก่อวอร์ขึ้นมากลายเป็นฟันเป็นไฟขนลุก ป, ปรง ไม่คิดวัวเดียวเกิดสังคมยุ่งเหยิงสับสนได้ต่อมาก็คือความสุขในระดับที่เรียกว่าเมื่อเราอยู่คนอื่นเราก็เพลินัยสับสนแลาก็หลบฝีวิเวกอยู่คนเดียวสงบไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกอันนี้เกิดจากกาลังของสมาธิแล้ว่าเข้าฌานการเข้าฌาน ทำไมเมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ได้สบายจนกลายเป็นคนที่เกียจขี้คันตรงนี้เพราะนัะ้นความสุขระดับนี้ก็ได้เห็นว่าหลายคนก็เลือกที่อยู่นิ่งๆแล้วก็ลบอารมณ์ไปไหนคนเดียวทํำอะไรคนเดียวแล้วก็พยายามที่จะปิดตัวเองพอสมควรแปลกแยกเลย แต่ก็มีความสุขนะก็ทําก็มีความสุขอย่างคนบ้าไปไหนก็ไปคนเดียวตามตลาดร้านค้าไม่ต้องทํามาหากินอะไรอะไรที่จะพอทําให้ชีวิตอยู่รอดได้ก็อยู่มีภูมิต้านทานผสมควรในตัวกินน้ํำตามท่อระบายน้ําก็ไม่ป่วยหาขยะคุยตามถังขยะกินก็ไม่ป่วยอยู่กลางแดดกลางฝนเดิน อาบไม่อาบน้ำเสื้อผ้าไม่ต้องสักเดินยิ้มคนเดียวมีความสุขมากแต่คุยกับคนไม่รู้เรื่องอจริยะก็เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็จะปล่อยเนื้อปล่อยตั ว, วใช้ความคิดแต่เขาเรียกว่าอจริยะแต่คนนึงถูกเรียกว่าวิปัสลาาก็คือสังคมตกลงกันไวลักษณะนี้เรียกว่าอย่างนี้ลักษณะนี้สมมติเรียกว่าอย่างนี้ แล้วก็ยอมรับกันด้วยเราก็เลยได้เห็นว่าเอออารามก็ดาบทดดาบทุกข์ดาบทเคยสอนองค์สมเด็จสัมมาเจ้าสมัยเป็นเจ้าชายษษษษสุดศักถิ์สิทธิ์แสงหามฆะธรรมแล้วก็มีความสุขจริงๆกับการที่ได้อยู่ในฌานสัมมาบทเจ็สมมาบัตป8มีความสุขแต่ว่ปัญญาไม่เกิดปัญญาปุทุตมันไม่สามารถที่มีคําตอบได้คําตอบอย่างทะลุทะลวงว่า ชีวิตมันคืออะไรกันแน่มันยังสงสัยมันยังถามตัวเองอยู่ยังห่วงพิมพาราหุนยังห่วงหน้าที่การงานแล้วก็ยังสับสนในทางเดินมืดยังมีปัญหายังโกรธยังโลภยังหลงยังรักยังชังสุขุดท้ายก็คือนิพพานสุขก็คือเป็นความสุขจากความว่างกินว่างจากการคิดการปรุงการแต่ง ตรงนี้แหละมันเป็นหัวใจของการปฏิวัติปาสุขตอความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราทุกข์แตเป็นความคิดที่มันคิดเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อันนั้นก็ไม่ใหญ่ความทุกข์ไอ้ความคิดที่เราเจตนาคิดหยิบมาเป็นประโยชน์อันนี้มันเป็นความดีความงามเป็นบุญเราก็ได้เห็นว่าอความคิดเนี่ยเป็นกลไกเป็นพลังของชีวิตเป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้ชีวิตมันมีรสชาติอยู่กสมมติมัญญยากกระรองใช้ความคิดคิดดีก็ว่าเป็นบุญคิดไม่ดีก็ว่าเป็นบาปคิดตามกันลองครองทำก็เกิดประโยชน์เกิดสันติสุขอยู่ตรงไหนก็ได้เรียกว่าปัญญาเราก็ได้เห็นแล้วเออความคิดที่ไม่ได้ท้งใจมันคิดแล้วคิดอีคิษนานค็ดีเป็นสุขเป็นทุกข์คิดแล้วโลภแล้วโกรธแล้วหลงไอนี่เป็นตัวปัญหาแน่นอน อยน้อยเราคิดมาแหลงกระทุกมานั้นกลางคืนคิดก็ น, นอนไม่หลักบกลาวังเคกินไม่ลงกลาวันเครียดก็ฟุ้งซ่านจับสนนักหัวเป็นคนแบกโลกนั่นแบกโรคจริงๆโลกใบนี้ไม่โลกของสมมุติบัญญัติเราไม่เคยอยู่ว่างๆว่างๆหยุดหุดเ ย, ย็นๆมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราจึงมาฝึกมาหัดแต่ว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังทำมาจากสตว์บุรุษ จากเป็นดูชนจากผู้โหสูนจากผู้ที่มีพื้นฐานจากการปฏิ บ, บตัติตองตองส่งนยากนะตัวนีน้บอกเลยว่ายากนะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าผิดแต่หมายถึงว่ายากส่วนตัวได้ยินหลวงพูดเตียนพูดฟังไม่เข้าใจหูสึกตัวหูสึกตัวหูสึซหูสึซแล้วฟังไม่รู้เรื่องสมัยที่อยู่เชียงใหม่แต่ว่ามันเหมือนก็มีความหมายบางอย่างอยูอย่ในน้ําเสียง ความหมายที่อยู่ใน้ำเสียงนั้นมันเป็นการสัมผัสท่านพูดแบบคำพูดของท่านนะตั้งแต่ต้นจงจบการวางจิตวางใจแล้วก็ใช้คำพูดที่มันแหกกรอบมันทะลุทะลวงเข้ามาในจิตใจของเราเรามีความสนตรงนี้แหละทาไมได้พูดถึงเรื่องอื่นนอกจากมีความรู้สึกตัวแล้วก็อยู่ด้วยปัญญาเคยฟังอยู่ประโยคนึง ในในม้วนของท่านที่ท่านพูดไว้สมัยก่อนเป็นเทปนั้นเป็นม้วนนะ่ะอย่าลืเป็นแผ่นครนี้ท่านพูดเอาไว้ถือว่าเรื่องการทํามาค้าขายซึ่งเราก็สนใจเรื่องการห า, งาเงินหาทองท่านบอกว่าไม่ใช่ไปทําบุญักขึ้นบ้านใหม่แล้ว่าเปิดร้านเปิดรวงการจะขายของให้ดีเนี่ยทำป้ายโตๆไปโฆษณาเนี่ยทำให้โตๆคนก็ผ่านไปผ่านมาก็จะได้มองเห็น เราฟังแล้วเออจริงนะมันไม่ใช่หมายถึงว่าเออเอาพระไปแล้วมันขลังมันศักดิ์สิทธิ์เกิดลิทธิ์ปฏิหารโดนบันดาลไทยทำมาค้าขึ้นเราเห็นด้วยมันบอกแล้เราเห็นด้วยรหวยรือว่าจะขายของให้มันดีแล้วว่าทําการค้าให้มันจเจริญรุ่งเรืองนะเขาบอกว่าให้พยายาม จ้างลูกจ้างอย่างยุติธรรมก็ทำมากเขาเหนื่อยไม่ใช่ล่อเปล่าเขาทำ อ, อไรเยอะๆเราเห็นว่าคําพูดมันตรงประเด็นเลยท่านไม่ได้พูดแบบไสยศาสตร์ในเรื่องของการใช้การสกะกดก้อเสืยดบอแลแรัชีวิตจะดีถ้าไม่ได้พูดแบบนั้นท่านบอกเขารู้สึกตัวสิแล้วมันจะดีกลับมา เกินไหวรู้สึกตัวนะมันจะเห็นความคิดรู้ทันความคิดแล้วก็แยกแยะได้มีสติหยิบความคิดมาใช้แล้วเกิดประโยชน์คิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทันพวกนี้จนะหเห็นด้วยหลวงพ่อเขียนต้องบอกวนะ่านะให้ดูดูสภาวะทันต่างๆดูแล้วเห็นเห็นแล้วอย่าเข้าไปเป็นโดยเฉพาะเบื้องต้นนะัก า, า, านณฑ์ให้ดูการเคลื่อนไหวของกาย ก, ายก่อนกายเคลื่อนไหวใจรู้กายทําอะไรใจทําด้วย โดยนพราดเอาขอสามอย่างมาด้วยเดียกันให้ใจสติกายมาอยู่ด้วยกันหลอกฟังแล้วมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วก็เห็นด้วยล้วชอบอยู่กับความคิดการศึกษาเขาบอกว่าใครจินตนาการดีใครมีจินตนาการแปล ก, ปลกถือว่าเป็นคนเก่งถ้าแปลกแล้วคนยอมรับมาเก่งถ้าแปลกแล้วคนไม่ยอมรับก็แสดงว่าเออแย่เป็นคนไม่ดีของสังคม ก็เห็นด้วยว่าเออสภาวะของการดูกกายออกมาจากความคิดก่อนเดี๋ยวมันจะเห็นความคิดแล้วก็แยกแยะได้ความคิดอะไรควรใช้ความคิดแบบไหนไม่ควรใช้คิดละกัลัตคิดละกะัจฉันคิดและกสุขคิดละกะักะกะตุกอันนี้เห็นด้วยพอออกมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวจิตทํางานได้ทีละหนึ่งขณะหนึ่งขณะของจิตแต่ไวว่าจิตนเป็นนามธรรมแล้วก็วองไว้มาก เกิดดับเกิดทับเกิดทับท yup. e. ี่ยิบเลยเป็นพบชาติจลาบารณะเกิดดับเกิดดับเกิดทับกิดดับพบก็หมายถึงว่ามันเกิดขึ้นไปในจิตของเราแล้วเราก็เห็นมันรู้มันได้พบกันนะนะแต่เป็นนามธรรมถ้าพบกันภายนอกก็หมายถึงว่าถูกรูปธรรมสัมผัสได้เนี่ยเรามาพบกันที่วัดปาสุขโตยแต่ในจิตของเราเนี่ยมันสร้างมโนภาพให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา แต่ที่สำคัญคือเราไม่มีสติไม่มีตาในดูมันเห็นมันตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะมีการฝึกสติเจริญสติให้เห็นนามธรรมเป็นของละเอียดจากการเห็นวัตถุรู้ทันก็เรียกว่าธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมการเคลื่อนกันไหวเนื่ลมหายใจหรือว่าลมที่มันดันให้โดริกให้มันเคลื่อนมันไหวเนื้อเลือดเอ็นกระโดดพวกนั้นมันก็เป็นลักษของธาตุลมที่เป็นขับก่อนนะครับเคลื่อนเราเห็นด้วยลมในช่องว่าง นะลมเบื้องล่างลมเบืองบนมันะเป็นขนะาดทาสี่ดูกายไปดูกายมาก็เห็นกระบวนการมันแช่แชน้ำร้อนร้อนไฟเยน็ยนเยน็ย น, ยนไฟเคลื่อนไปเคลื่อนมาท้องพอ ง, องยุบหายใจเข้าหายใจออกการเคลื่อนไหวของกลอเตของร่างกายท่าลมทั้งหมดเราก็ได้เห็นอย่างนั้นเพราฉะนั้นก็จะเกิดนะประสบ ก, การณ์เป็นความรู้ความสามารถภายใน ที่เรียกว่าจิตตภาวนาของใครของเรามันเกิดจากกระบวนการปฏิบัติธรรมรูปแบบของการปฏิวัติธรรมทำแ เ, เห็นระบบกลไกการทําทงานของรูปอาคารของกายและของจิตซึต่งเป็นนามธรรมในชัดเจนเห็นตัวสติเห็นตัวสีสมาธิปัญญาในชัดเจนทุกครั้งที่มมีการระูกรู้มันก็จะรู้ทั้งตัวมันเองเรว่อสติ สติมันระลึ ร, รู้สภาวะของความเป็นปกติเราเรียกว่าศีลสติมันระลึกรู้ความนิ่งตั้งมันอยู่อารมณ์เดียวเราเรียกว่าสมาธิสติระลรูรนะ้ว่าการใช้กระบวนการความคิดนะคิดแล้วกูดคิดแล้วทาคิดแล้วนะอยู่ก็สมมติในโลกนี้ทั้งใบนะแล้วก็เป็นเรื่องของนะความลึกซึ้งของธรรมชาติที่มีอยู่หรือว่าลักษณะของ บัญญัติต่างๆที่กลายไปเรื่องของมรรคผลที่ผ่ า, านมันก็จะเห็ น, นอยู่ในกลไกของความคิดซึ่งตัวสติแล้วรู้ทั้งหมดแล้วมันรู้ครบรู้ครอบรู้รอบครอบก็ถึงเรียกว่าปัญญาบุตธาถ้ารู้แบบโลกเรียกปัญญาทางโลกมันมันจึงมีภูมิจิตภูมิธรรมนะนะแบบโลกของโรกิยาโลกโลกดร ทะลาโลกี้ยะเขาเรียกว่าปูชนียบุคคลสูงสุดทะเลกของการอะไรเขาเรียกว่าอริยชนสูงสุดอัลลาหันเลยนั่นแหละเป็นนิพพานสุขของจริงเราก็จึงมาดูกันด้วยการใช้รูปแบบเป็นเครื่องมือของการวัดมาวัดก็คือการเคลื่อนไหวกระจายรู้ในถึงวัดแน่เป็นตัววัดของจริงเราวัดใจเราได้ทันที เราอยากรู้ว่าอากาศตอนนี้เท่าไหร่ก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์มาวัดมันอยากรู้ว่าน้ําตอนนี้เป็นกดเป็นด่างเป็นฝนกรดหรือเปล่าใช้กระดานทีสวัดมันอยากรู้มีความขุ่นเท่าไหรก่ก็มีเครื่องวัดค่าเขาเรียกว่าบิลิทีนะแกนชี Gen G วัดวัดลงไปเลยกี่พเอวัดได้ทันทีเดี๋ยวนี้ถ้าถามว่าเป็นกดเป็นด่างอย่างไรดิจิตอลมันจะบอกอยากรู้ว่าลมพัดทิศทางไหนได้ใช้ ลักษณะของบาลอมิเตอร์แต่ความกดอากาศก็วัดได้อยากรู้ว่าตอนนี้เราสุขเราทุกข์อย่างไรก็วัดด้วยการเคลื่อนการไหวสิมันจะออกมาเลยของจริงถ้าปกติก็เป็นลักษณะของข้าคางกลางสมดุลรู้ซื่อๆื่อรู้จืดจืดรู้เฉยเยมันเป็นตัวรู้ ที่เราปรับจิตปรับใจของเราสู่สมดุลเราเห็นสภาพวิจิตรใจของเราสมดุลเร็วกว่าปกติถ้ามันสุขมันทุกข์มันบวกมันลบนะมันกรธมันโลภมันหลงมันรักมันชังมันก็เป็นบวกเป็นโลกความพอใจไม่พอใจยินดีร้าชอบไม่ชอบเราก็วัดมันดูสิการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะตรงนี้แหละถ้ามันไม่ได้ยินได้ฟังมันจะไม่เกิดสัตตาถ้าไปลงมือทํามันก็จะได้เห็นของจริงคิดเอาก็ไม่ได้ คั้นลงมือทําก็ต้องเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาเกิดมาในการปฏิบัติธรรมมันจะต้องมีปัญหาแน่นอนเรียกว่ามันไม่มีบารมีก็ไม่เกิดทํางานทําการอีกนิดจะดีแล้วเรท้อไปซะก่อนแล้วเราจะถึงดีไหมทําดีไม่ถูกดีทําดีไม่ถูกที่ทําดีไม่ถูกคนทําดีไม่ถูกกาละเทศะ ม, มันจะดีไหมอย่า้วก็จึงเห็นแล้วว่าการเคลื่อนไหวรู้สึกตัววัดจิตวัดใจของเราอยู่ตลอดเวลา อยากรู้ว่ารู้สึกตัวหรือไม่ก็เห็นกายหรือไม่อยากรู้ว่าเราหลงหรือไม่ก็มันรู้สึกที่ตัวหรือไม่ถ้ามันเพลอเมื่มอไรมันหลงเมื่ อ, อไหรก็แน่นอนแล้วตัวหายไปแบบนั้นนะผีดิบเกิดขึ้นมาทันทีตายทั้งเป็นทันทีแล้วเดี๋ยวมันจะตายจริงๆเลยเดี๋ยวมันจะตายแบบตายแบบตายจริงๆแต่ตอนนี้มันเป็นลักษณะที่ว่ามันตายทั้งเป็นมีชีวิตอยู่แต่ว่าเดือดเนื้อร้อนใจ ทุกกายปานไปไม่ทุกใจปานฟ้าผ่าแต่ว่าถึงเวลาก้าตายเน่าเข่าลงแล้วนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะการฝึกการหัดนยมันให้เราเหมือนกับว่ามีชีวิตอย่างไม่ทุกขณะที่มีชีวิตเป็นเพนไม่ใช่รอตายไปแล้วแล้วตายไปไหนอันนั้นมันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยววันนี้อยู่อย่างไรใช้ชีวิตอยู่อย่างผาสุกได้หรือไม่มันจึงมีการวัดอยู่ทุกทุกขณะเลยเมื่อดูกายเป็นสติมันมากพอ เมื่อจะดูเวทนาเป็นของมันเองหรอกมองไปทางประตูใจอะไรมันเดินผ่านมามันไม่เห็นเป็นไปไม่ได้อย่เมื่อกี้กอบตามันมองยมก็เห็นต้นเสาก็นิ่งโยมก็ยกมือสั่นจังหวะอยู่เมื่อกี้ไฟสว่างตอนนี้ไฟมัลีแม่ชีเดินลงไปหนึ่งคนอย่างเนี้ยเราก็รู้สภาวะจิตมันก็เป็นยังไงจิตของเราก็เป็นยังไงเราก็รู้ถ้าศรัทธาไม่ศรัทธาก็เริ่อมใสไม่เริ่มใสมันดูกันออกหมด คนเราเสมอกต้นสูดปลายเป็นไงเจอวันแรกเปังไงวันที่สองสีนั่าจะเป็นไงคําพูดก็เป็นไงกิเลสธาตุทางเไป็นไงลองอ่านกันออกหมดกราบพระหันไปทางไหนก็ศรัท ธ, ธาเรากาไปทางเราเขาไม่ศรัท ธ, ธาเราก็กราบแบบขอไปทีเงมัญญาสาไถอง์ศาไว้ทางอื่นอะไรสนทนากันก็ลองภูมิจิตภูมิธรรมเราหรือว่าเข้ามาต้องการเรียนรู้จากเราเราก็อ่านกันออกหมดมันทางเดียวกันบับผลนิพพานแล้วกันใช้ชีวิตในโลกเนี้ย มันรู้กันเลนะฟังธรรมมันก็ต้องได้ยินเสียงธรรมที่มีอยู่ในตัวขขาและตัวเราอันเดียวกันเขาพูดอยู่ตรงไหนคุณธรรมแจ้ธรรมสิทธรรมรัตวปาลสถาวรธรรมต้องเป็นของจริงมันอ่านกันออกนะการแสดงออกพวกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้นเป็นภาวะของผู้ดูดูและเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องเห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งเห็นโลกอย่างแจ่แจ้งโลกของกายโลกของจิตใจโลกของโูปธรรมโลกของนามธรรม โลกของอากาศถลท่โลกของโลกใบนี้คือแผ่นดินโลกคือกายฟ้างศอบยาวานหาคืบและในโลกนี้มีต่างโรคทั้งนั้นเลยโรครอเรือนถึงมันเป็นอาการที่เป็นเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันตลอดไปไม่เกี่ยวกับมีเราไม่มีเรานั่นแหละคือโลกของธรรมะธรรมชาตินิยายนิรายนิญ่สุดไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติได้ และธรรมชาติทําอะไรไปไม่ผิดสักเรื่องเดียวบริสุทธิ์ผุดพ่องตนคือเห็นกับใจแต่ว่ากรรมเนี่ยเล็กหลายคนบอกกรรมนียิ่งใหญ่เป็นความคิดถึงคนแบบโลกโลกถ้ากรรมจะใหญ่นะคือกรรมฐานใหญ่สุดกรรมฐานนะทำให้เกิดธรรมชาติขึ้นมาก็คือกรรมฐานนะทำให้เห็นธรรมชาติขึ้นมามันจะมีความเป็นจริงก็เรียกว่าปรัชฐานสภาวะปรากฏอยู่ในกรรมฐาน คนที่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะได้สัมผัสของจริงแต่คนปฏิบัติกรรมดีก็จะได้เห็นความดีความสุขความงามคนปฏิบัติกรรมชั่วก็ได้เห็นความทุกข์แน่ๆถึงจะสุขก็สุขไม่นานเดี๋ยวก็ทุกข์รออยู่เพราะฉะนั้นมันมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์ทุกข์เท่า น, นั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในสมัยพุทกาลก็มีภิกษุณีตนหนึ่งได้พูดเอาไว้ว่า ในโลกไปเนี่ยมันไม่มีเรื่องอื่นนะที่เรามาพูดกันตลอดไปเนะี่ยฉันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะัจริงจรงนะมันอยู่ในกฎของที่ว่าในโลกนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปมีแต่ปัญหานะการงานของเราทุกวันเนี่ยคือการแก้ปัญหาทั้งหมดก็ให้เงินเราคือการแก้ปัญหาทั้งหมดแต่เราหลงในงานโดยไม่รู้นะ่นะมันเป็นตัวปฏิบัติธรรม เรหลงเรื่องเงินเรื่องการเรื่องกินเรื่องเกลียดการทํางานต้องการซ่สูงสูงต้องการอํานาจสูงสูนแม่ผู้จัดการต่อให้ครองโลกเดือนก็ไม่มีความสุขหรอกต้องการยอดเงินในบัญชีเยอะๆต่มีมร้อยล้านพันล้านแสนล้านเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่มีความสุขหรอกจนฝ่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจออริยทรัพย์ภายในของเราอริยทรัพย์ภายในคือตัวปัญญาแล้วม่เห็นเกิดการวิมุตต์หลุดพ้นในตรงนั้นปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมี แรียว่าส่วนประกอบมีสมาธิประกอบมีสติประกอบมีศีลประกอบเรียกว่ามีสติศีลสมาธิสัมปัญญาเล่าศีลสติสมาธิสัมปัญญาปัญญาคุณธรรมต่างๆใจเชื่วกัวบา่าวความอดทน อ, อกกุกลน้นเมตตาขวาน า, า, วาเมตตาเบียขาพวกนี้ขยันประหยัดชื่อสัจธรรมอยู่รู้คนเสมอต้นเสมอปลไม่มีความโกรธความโลภความหลงความรักความชั่นอิจาริยา มายาสาไถโออวดเยอหยิ่งจองหองประยองของผลต่างๆมันเกิดขึ้นแต่ว่าขาสติแต่ถ้ามีสติก็เห็นครบนั่นแหละเห็นกายเห็นนาลเห็นจิตเห็นธรรมมันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดในความรู้เนื้อรู้ตัวแล่เราเคยพาทำอย่างอื่นไม่ชวนหรอกบอกเลยรัดนสั้นๆชีวิตคือใจเดียวสู่การรู้แจ้งที่หลวงปู่เทียนพูดถึงมันมีอยู่แล้วในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน วิปัฒนากรรมฐานสมถะกรรมฐานถึง ม, มันทําให้เราได้เห็นของจริงจริงจริคลิกมือรู้สึกตัวเงี้ยจริงไหมล่ะยกมือขึ้นมารู้สึกตัวเงี้ยจริงไหมล่ะในจิตผู้รู้ในจิตที่มันเป็นกลางมันมี้หรือ ม, มันยังรู้แบบเพ่งเพงเผลอเผลอรือว่าศรัทธาก็ยังไม่เกิดอย่า น, น, นะเพราะฉะนั้นการที่เราก่อศรัทธาขึ้นมามีความเชื่อขึ้นมามันก็จะพาเราไปให้เกิด เรื่องของโยนิสงบัญชีการรู้จักแยกแยะเคยทําดีมาเป็นไงทําชั่วมาเป็นยังไงคิดดีเป็นยังไงคิดชั่วเป็นยังไงไม่คิดเป็นยังไงเมื่อจะเกิดสติขึ้นมาเมื่อมีสติขึ้นมามันก็รู้จักว่าการพุ่งผ่านนิวรรธรรมเป็นยังไงถ้ามีนิวรรธรรมเป็นยังไงมันก็แยกแยะได้เวลาห่วงขึ้นมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันรู้สื่อๆแทนที่มันจะรู้สื่อๆมันรู้เซ่อเซแทนที่มันจะรู้สื่อๆมันรู้แล้วม่นก็รู้ทะลวงก็มันติด เป็นอารมลังเลสงสัยมันรู้แบบไหนมันก็อยู่ออกับความคิดแทนที่จะรู้สึกสัมผัสกระทบมันก็ไม่ตรงประเด็นแต่มันก็ไม่ผิดอะไรเพราะนี่มันคือการเดินทางมันก็เกิดกายสุจริตกายทุจริตขึ้นมาแตามีสติกายสุจริตเกิดวารจิตสุจริตเกิดจิตใจสุจริตขึ้นมาทำไมรู้สึกตัวกเกิดทุจริตขึ้นมาไม่เห็นตัวเองไม่เห็นคนอื่นมันก็มองไปนอกตัว สู่วัตถุกรรมคุรรูปรู้ลิ่นเสียงโธตถาธรรมารมณ์นะมันก็นจะได้เห็นละช่องทางของมันคือการปฏิบัติธรรมที่มันเดินตรงลงไปแต่ละก้าวที่คามรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ต ว, ต ว, ตวทำมันผ่านนิวรธรรมมันเข้าสู่สติปัฏฐานตรงไปตรงมาวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นมาตัวรู้มกระเด่นขึ้นไววิชาเกิดก็รู้สึกตัวรู้สึกตัว รู้รูปธรรมรู้นามธรรมรู้ขันท่าพอ <_ d ata> ่ต้องเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาในใจิตในใจหรือว่าธรรมชาติทิมเป็นส่วนประกอบของชีวิตเราทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบ า, ายสภาวะไตปละกันปลาโกรามาแสดงอย่างไรต่อได้เห็นอย่างทะลุทะลวงเพราะฉะนั้นการที่เราไปจะไปธรมกันนะให้สังเกตดีๆถ้าเป็นสูตรที่จะขออ้างมาจากทสูน เป็นพุธทธวนจะนะเลยเนะี่มันก็จะมีอยู่จริงๆในการเป็นแบบของเราเลยได้สัมผัสหนึ่งการเห็นแบบไม่ทะลุทะลวงนะมันจะติดอาการของโรคของร่างกายเราบังของโอยลูกของโอยทำให้เราไม่มีใจนะพุ่งเข้าไปสู่ความรู้สึกตัวเต็มร้อยมันจะติดอยู่ที่ทุกเขเวทนาเพราะนั้นคนที่ป่วยมากๆนะเนี่ย การที่จะรู้กายได้ชัดเนี่ยยากคนที่รู้ได้ยากคนหนึ่งป่วยเป็นโรคมากมาเจ้าคิดแต่เรื่องหาหมอหาอยู่หายาคิดแต่เรื่องชีวิตเรามันแย่ปริเดี๋ยวรำมันยากกลับบ้านดีกว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าแต่พวกเนี้ยจะอยู่กับรูปแบบรู้สึกตัวใน ย, ยากมากแกอารมณ์เข้มนี้ไปได้ เดี๋ยวเรจะไปหาหมอเดี๋ยวเราไปหาอยู่หายาสารพัดนั่นแหละประการที่สองคนที่รู้ทำมาไม่ได้น่ะมิจฉาทิฏฐิคือเห็นแล้วเห็นไม่ถูกพูดสมัยฟังวกนั้นอ่ะก็คือศรัทธาบุคคลไม่มีสุดทัรัทธาสถานที่ก็ไม่มีศรัทธาในรูปแบบปฏิบัติก็ไม่มีศรัทธาในพิธีกรรมก็ไม่มีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ความยำเกลงก็ไม่มีตรงนี้ปฏิวัติธรมไม่ได้เราคนนี้อยู่ไปวันวัน ต่อมาก็คือคนที่ปฏิวัติทำไม่ได้ก็คือมีอาตราจัดตัวตาเดยมีจัดมากตัวตนสูงพวกนี้จะทำอะไรแบบง่ายๆกลมเกลืนในยากมากไปไหนเนะี่ยรู้ไหมอ้ววเป็นใครวเนี่ยเป็นเลขาธิการทำงานใหญ่จะต้องไปเซ็นชื่อจ่ายตังค์อยู่ไม่ได้ไตั้งใจจะมาเจ็ดวันี้รนะ้อนรุ่มขึ้นมา ต่อมาก็คือคนที่ไม่ได้เจริญสติจอท่านเกิดสีสมาธิปัญญาแล้วก็เกิดปัญญาพุทธายเห็นอาการของรูปธรรมนามธรรมเห็นกิเลสที่มันเกิดนะ่อย่างทะลุทะลวงเห็นการเกิดดับของกิเลสแบบทะลุทะลวงตาในตาสติตาปัญญาอันนี้ท่านกล่าวเอาไว้อีกแฟนทกพนะุกับ ราชกุ ม, มาโรโพธิราชกุ ม, มารสูตเป็นพระราชกุ ม, มารปฏิบัติธรรมสนใจธรรมะแต่ว่าท้ายสุดก็คือปฏิวัติธรรมได้ยากมากตรงที่ตรัสเาไว้อันนี้ถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้นะปฏิบัติธรรมได้ยากมา ก, ก, กเพราะ น, น, นั้นเราก็เอามาสมัยพฤกษการก็ ม, มาเป็นวันนี้ของเราเหมือนกันเมื่อเราปฏิบัติธรรม มันมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาทาให้เราท้อแท้เบื่อหน่ายในการที่จะทำความเพียรเราก็ลองดูว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงๆ น, ะน้องเข้ามาใส่ตัวแต่าะยุคสมัยของหลวงพ่เทียนหลวงพ่ออเขียนมันยังมีกลิ่นอายอยู่ชัดๆเลยการเดินจงกรมการ น, นั่งสร้างจาังหวะหรือว่าทำอะไรก็ตามให้รู้สึกตัวแ ต, แต่ตเือนขึ้นมาลุกจากที่นอน พอนอนตื่นขึ้นมาจิตมันตื่นร่างกายมันยังนอนอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกายมันก็เคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวเนี่ยนะเราก็มีสติแล้วก็ตั้งสติเอาไว้อ้อนี่คือตัวสติปกติแล้วก็รู้ตัวอยู่เราก็ลุกขึ้นจากที่นอนรู้สึกตัวเนี้ยเราก็ล้างหน้าแปรงฟันรู้สึกตัวเราพับที่นอนหมอนมุ้งต่างๆรู้สึกตัวเดินไปไหนมาไหนดื่มน้ํารู้สึกตัวเราจะดูในการเตรียมตัวทํำบัดรสวดมนต์รู้สึกตัว ฝนตกเราก็รู้สึกตัวไฟดับไฟติดแล้วก็รู้สึกตัวแล้วเราก็เดินมามันลื่นมันมันดินมันเป็นเนินเราก็ระมระวังรู้สึกตัวมาที่นี่เราก็รู้สึกตัวพอมาถึงสาลาแล้วก็ถอดรองเท้าเดือยความรู้สึกตัวเดินขึ้หมืนเดิเดือยความรู้สึกตัวขวบพระสวดมนห์เดือยความรู้สึกตัวฟังเทศฟังธรรมเดือยความรู้สึกตัวเราพยายารู้สึกตัวได้ต่อเนื่องทั้งวันความเป็นปกติมันเด่นขึ้นเด่นขึ้นแด่นขึ้น อันนี้นะเราก็ฝุดฝนกันพัฒนาการที่จะทำให้เรามีสติความเป็นปกติมันเต็มพื้นที่ตรงนี้มันจะทำให้เกิดกำลังจริงๆกำลังภายในจิตใจเป็นพื้นที่ของชีวิตเราที่เราจะใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงแมาทั้งพินาทีสุดท้ายก่อนไปที่เรียกว่าตกกระดาษผกระจนห้านาทีก่อนใจจะขาดเนี่ยหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ตกกระดาษกระจ อาจารย์พุทธ่าท่านก็พูดอย่างนี้แลให้ตกกระดาษโปรเจกชัน5นาทีสุดท้ายลวงผู้เทียนนะครับพูดอย่างนี้แ ะ, ะ ท, ท, ท, ที่เราฝึกไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายะนะนัคือความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนการไหวฝึกไปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายนะมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวก่อนใจะะขาด5นาทียังไงจะได้ใช่เลยความรู้สึกตัวมันจะเด่นขึ้นมาความเป็นปกติมันจะเด่นขึ้นมา ถ้าใครรู้ทันความคิดเห็นความคิดเบี่ย ไ, ไวจะรู้นะคือพบชาติใหม่ของเราถ้าตายไปขณะที่คิดถึงเรื่องไม่ดีก็จะเกิดในพบภูมิที่ไม่ดีถ้าตายไปคิดถึงเรื่องดีจะเกิดพบภูมิที่ดีถ้าตายไปขณะที่มันไม่ได้มีความคิดอะไรมันมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความว่างนั่นหมายถึงว่ามันไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราก็จะได้เห็นกันทุกๆ ท, ท, ท, ท, ที่เราเคลื่อนไหวทุกขณะที่เราเคลื่อนไหว ก็ปฏิบัติทมกลับมาหาตัวเองกลับมาหาธรรมชาติเดิมๆแท้ๆธรรมดาธรรมดามันเป็นลักษณะสามแลักษณะเหมือนกันทุกคนสัจปาญจริงอยู่นั่นะเราได้เห็นความคิดของเราแล้วเราก็สกามารถที่จะแยกีแยกได้จนทั้าออกมาจากความคิดเห็นความคิดสติผู้ดูผู้รู้เนีเด่นอันนี้นะมันจะเป็นปลาประการที่อัศจรรย์มากเป็นมหัศจรรย์ ที่มันเกิดจากชีวิตของใครของเรากันที่มีความรู้สึกตัวมากมากมันน่าสะจย์จริงๆนะมันเป็นร่องรอยเป็นพื้นที่ที่มันแตกต่างจากเดิมเมื่อก่อนเราเจอการหมกมุ่นย้ำคิดย้ำทําตอกย้ำจนทั้งมันเป็นคนโทสะจริตลาค้าจริตบิดตกจริตมีแต่ความกังวลมีแต่ความสงสัยแต่พอมันมีความเป็นปกติมันเหมือนกับว่ามันมีความปลอดภัยเกิดขึ้นมาเหมือนขนาดนี้ฝนตก แต่ว่าเรานั่งอยู่ภายใต้ศาลาหรือว่าภายใต้หลังคาอย่างได้นะแล้วเราก็เห็นว่าเออฝนมันตกแต่มันไม่เปียกเหมือนกัมันมีความคิดแต่ว่ามีความเป็นปกติซ่อนอยู่มันมีความงงแต่ความเป็นปกติมันกระซ้อนอยู่มันมีอะไรอีกหลายๆอย่างมีความเจ็บความปวดของกายแต่ว่ามันมีความเป็นปกติดูอยู่ซ้อนอยู่สติสัมมาญาตัวเนี้ยมันแปลกมากมันเป็นดินแดนยิมปลอดภัยจริงๆ ก็เลยรู้ว่า ร, รู้รู้ว่าออสิ่งที่เขาพูดอะเนี่ยมันจริงตรงนี้แต่ว่าถ้ามันไม่มีก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่จริงก็หมายถึงว่าเราทําให้ถึงทำไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องอาศัยศรัทธานะอาศัยความเชื่อว่ามันมีจริงๆแต่ว่ามันจะมีที่เราทําได้ไม่ได้เดี๋ยวเพ่อว่ากันอีกทีนี่ยนะอะไรว่าพูดมาสมควรกับเวลากนะ็าพูดในสิ่งที่เราทํากันเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยว่ามันจะเป็นอะไรบ้าง ก็จะประเด็นได้ที่มันเหมาะกับตัวเรากันทัประโยชนสประโย ค, โยคก็ถือว่ามันก็เป็นประโยชน์ในการฟังแล้วฟังทำด้วยดีก็ได้ปัญญาสุเสียสั่งรัเตปัญญาก็เป็นมงคลยิปการหนึ่งของชีวิตเราในมงคล38ก็ขอให้การกระทําของเราทั้งหลายมีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้ถึงความเป็นปุ้บปีจิตทุกทุกสาระจิตโดยทุ่หน้าการทุกท่านทุกรูปทุกนามเทอ